พวกเราเนี้ได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงธรรมวัดนี้ก็มีความสุขในชีวิตนสบายอกสบายใจอย่าง น, น้อยก็ถือว่าทาพระธรร ม, มเจ้าของพุทสศาสนานยังมีการดำเนินไปอยู่ยังมีการเรผยแพร่เพียงแต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ความหมายแต่มีอุปทานในฝ่ายดีนะชอบศรัทธา ในพวกคนเกียรเนี่ยเขาจะมองเห็นภาพพจน์เลยประการสวดมนต์เนมองไปเห็นว่าพระเขากําลังทําอะไรอยู่เสียงนี่มันมาจากไหนเกิดจากความเพียรพยายามแค่ไหนเกิดจากผู้มีศีลอาจารวัดท่านกําลังประพฤติอะไรอยู่แต่ก่อนน่ะตมาสมัยอยู่ในเมืองเบื่อมากเนะี่ยกับการสวดมนต์แปลนี่มันนานเสร็จนานได้ไปนานหยุด แล้วเราก็ไม่อยากรู้ความหมายด้วยพระรู้ความหมายทีไรมันก็คือด่าเราเองเลบทส่วนมนุษย์คือเขาก็พูดเป็นสัตริยธรรมนเพียงแต่ว่าเราทวนกระแสธรรมะเคยชีวิตมันผันแปรไปแบบนึงที่สำคัญคือมันไม่เห็นความสําคัญในเนื้อหาสารวะว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรในบทส่วนมนุ์นั้นแต่ว่า สวดมันเป็นประเพณีว่าบวมาเป็นพระเป็นเณรก็คือต้องสวดไปนี้แต่มันคิดว่าจะเอาอะไรเนี่ยนันคือมไม่จำเป็นต้องอยากเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นเรื่องของประเพณีไปว่าเออกิจวัตรของความเป็นพระที่เขาสมมุติให้เราเป็นเนี่ยเราคนจะทําอย่างนี้ก็ทําไปตามมันจบจบไปคือพอเราสมั่ำ ใจมาทําเรื่องอย่างนี้ศึกษารเรื่องชีวิตจิตใจเรื่องความทุกข์เรื่องอริยสัจเรื่องอารมณ์เรื่องใจเรื่องจิตจริงๆเลยมันกลับไปเป็นว่าตําราเนี่ยเหมือนแผนที่เหนป้ายบอกงั้นฉลากยาที่เราจะต้องรู้ว่ากินยังไงวันละกี่ครั้งล้งอาหารเรื่อยก่อนอาหารมันมีตัวยาอะไรในนั้น ถ้ามันไม่มีในนี้เราก็หาตัวยาใหม่ยาศีลยาสมาธิยาปัญญาตอนไหนควรจะมีศรัทธาคนไหนจะมีวิริยะคือมันเป็นฉลาบบอกเราได้เป็นอย่างดีว่าเราเราควรจะทําอะไรตรงไหนอย่างไรเรามาเปรียบเทียบสิ่งที่เราทําว่ามันถูกไหมมันตรงไหม เพราะตริฎกก็เกิดจากการสัทคยนาองปราก ท, ทั้งหลายที่เกิดจากการฝึกฝนการเรียนรู้แล้วก็คําในพระเตริิดกเนี่ยมันจะมีซ้ําๆกันหลายเห่ยงหลายที่มากคำคำเดียวนี่ทีนี้ก็สามารถเอาตรงนี้ไปเทียบกับตรงนั้นเอาตรงนั้นไปเทียบกับตรงนี้มันจึงเป็นลักษณะมันเหมือนกันพระเตริิดกเนี่ยเวลาเราอ่านตรงไหนเนี่ย พาะเขาต้องให้มันสอดคล้องกันทั้งหมดเนื้อหาสาระจะไปในทํานองเดียวกันหมดเลยจะไม่มีการขัดแย้งกันดังนั้นเราก็เอาสามารถนำมาแต่สวนทวนถามกับการปฏิบัติของเราเองแต่อย่างไรก็าตามนะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของภายนอกแต่ช่วยได้ในระดับหนึ่งเป็นกไล ย, ยานามิตรของเราเองได้ แต่ในภายในก็คือเรื่องของอารมณ์กรรมาฐานที่เป็นตัวแท้ตัวจริงที่เราศึกษาเราปฏิบัติทำเราก็จะวัดจากความทุกข์ที่มีวัดจากความปกติที่มีวัดจากความทุกข์ที่มีทุกคืออะไรระดับแรกมาทําปุ๊บออกมาเป็นทุกข์เป็นหนี้เนาะแล้วปฏิบัติทำไป เจริญสติไประดับหนึ่งก็จะเห็นความไม่ทุกข์ว่ามันเป็นยังไงเห็นความไม่ทุกข์คือจิตมันยอมรับว่าความทุกข์นี้เกิดจากความปรุงแต่งเกิดจากความคิดความอยากเกิดจากความคาดหวังม่าต้องเป็นนั่นเป็นนี้ทีนี้เราก็เจริญสติการมาเจริญสติก็คือทําให้เกิดความเข้าใจและหยุดมันลงบริมาณ พระพท้่านบอกว่าหยุดซะหยุดคิดซะหยุดรุงแต่งซะหยุดอาคาตพยาบาทหยุดมิจฉาทิฐิความเข้าใจผิดความลลงผิดซะกลัมามองรูปมองนามมองกายมองใจนี้ต่างความเป็นทิงเสียเราก็จะรู้จักตัวสมุไทยเมื่อเราหยุดตัวที่เราพยายามที่จะหยุดอยู่เรื่อยๆพยายามประคองตัวรู้ พยายามปกคลองตัวเห็นพยายามปกคลองตัวถ้ารู้เห็นแล้วมันก็เข้าใจนะรู้เห็นว่าไอ้ที่เราเป็นทุกข์เพราะ อ, อันนี้นะรู้เห็นเป็นทุกข์เพราะ อ, อันนี้นะรู้เห็นเป็นทุกข์เพราะ อ, อันนี้นะมันรู้มันเห็นบ่อยๆนะมันดับใ บ, ใ บ, ใบ่อยๆนะนะว่างบ่อยๆนั่นแหละคือตัวมรรคแล้วเหนพอหยุดได้สนิทที่แรกก็เป็นความจืดจางของตัณหานะบ่อคนจางหายไปครั้งเดียวแต่เมื่อคนก็ค่อยจืดจางนิสัยบางอย่างมันเลิกยาก ถึงแม้ว่าเราเป็นทุกข์อยู่กับตามนันก่อนยมเขานี่มาถามลุงตางมิสเตอร์เข้าฮักนี่นะถามว่าชีวิตมันก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องมาอดๆอยากๆแบบนี้แกถามอ <c oughs> ้อช่างมาถามกูนาอวะก็ไม่รู้เหมือนกันโอโร ย, ย, อย่างนี้ก็มีความสุขดีนะวะแก แกว่าทำไมต้องมาหัดกินน้อยต้นเท่าเย็นเย็นทำไมแล้วไม่ลุยเลยทำไมต้องมาอดอีกแกว่าแกเดิอนอยู่บ้านแกก็ดีอยู่นะแกว่าพักผ่อนหลับนอนเนี่ยแล้วทไมต้องทำมาทาให้มันเป็นทุกข์กีบอกปกติมันก็ไม่ได้ทุกข์อยู่แล้วเนระืน่องว่าฝรั่งจะมีปัญญาเรก็เอามันมาเรียนรู้นะ่ให้ลูกชายแกม่ช่วยแปลน มาเรียนรู้ว่าชีวิตนี่มันความสุขไปนั้นมันก็เคยมีมาแล้วละ่ะที่สุขสบายไปนล้นแต่นี่มาทําให้อยู่ว่าถ้าไม่มีอะไรมันจะสุขได้ไทาใจได้ไหมเพราะความสุขความไม่สุขความทุกข์ความสบายอะไรมันเกิดที่ใจเราก็เลยมาเรียนรู้ว่าถ้าไม่มีสิ่งแบบสุขสบายแบบนั้ น, น, นไม่กินไม่ดื่มหรือกระเทาะเปลือก ของความสุขพวกนั้นออกลองดูดิว่าจริงๆความสุขนี้มันเป็นเปลือของชีวิตหรือเปล่าข อ, ออกกระทะออกแต่อยู่แบบไม่มีอะไรอ่ะลองตื่นเด็กลูกเช้านี่ตอนเช้าๆมันจะอร่อยมากนะตอนนอนนี่ด้วยบางคนอย่างโยมจิบถึงมาหลับเอาหลับเอานี่ยเอาเบื้งตากว้างๆแล้ว ม, มีความสุขแต่แล้วก็ฝืนลองดูดิคนทั้งหลายเขาหลับไหลตอนเนี้ย ตอนคนหลับเราจะตื่นแต่ตนตอนเขาเ ค, คนเขาตื่นตูมีเราจะหลับอย่างทัานว่าแหละพระนอนสีเศรษฐีนอนหยายจบนอนแปดพระนอนสีเนี่ยหมายถึงยังไงพระนอนสีนี่หมายถึงคนเป็นพระเป็นเจ้าที่จะเป็นพระเป็นเจ้าต้องนอนด้วยการระลึกรู้สติปัฏฐานทั้งสี่ แต่ดูแล้วเห็นทุกข์ของการนอนเห็นสมุทัยในการนอนเห็นนิโรธเห็นมรรคในขณะที่นอนเนี่ยพระนี่คือผู้เห็นภัยในวัะสงสารในสังสารวัฏใครก็ได้ถ้าเห็นภัยเนี่ยเห็นภัยน้อยก็เป็นทุกข์เป็นพระน้อยเห็นภัยมากก็เป็นพระมากไม่เห็นเลยก็เป็นปุถุชนไปนอนสคือมีสติอยู่ จเจริญสติปัฏฐาน4เห็นอริยสัจสี่อย่างสมอเศรษีนอนหเศษีนอน6ก็หมายถึงผู้ที่ติดในอายตนะติดในความสะดวกสบายความสนุกสนาความเพลิดเพลินยังคุณจะเป็นเศรษฐีสะไรีความคล่องแวะอยู่ในอารมณ์อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพลินอยู่ย่างยาจกอนอนแป ไอ้จนนอนแปดจหมายถึงคนจนเนี่ยมันจะมีจิตที่ข่องอยู่ในการหลับการนอนเนี่ยข้องอยู่ในมะละมะละเป็นมวลทินของจิตแปดต่อการคือหลับแบบสนิทแบบหลับไหลเลยอ่ะไม่ตื่นขึ้นมาคนหนึ่งยังข้องเหนี่ยอยู่ในตาหูจมูกลินกายใจหกอย่างแต่คนนี้ลึกลงไปถึงแปนิดเนะี่ยหนึ่ง หึงอิจฉาอิสฉาอิสฉามัจฉริยะมัจฉริยะอสัมโมสาอสัมโมหาเมื่อมีอิจฉาอิสฉามิจฉาคือความอิจฉาความนิษยาความมัจฉริยะความตนีมานะทิฏฐิอะไรพวกนี้จมเข้ามาเขาโยมนละมะละเป็นมนทินที่ครอบงําเคลือบจิตเอาไว้ ไม่มีโอกาสได้ตื่นถ้าติดทางต่างหูจมูดินกายใจนเนี่ยเนาะหรือยังพอถอนตัวเองได้นะแต่ถ้าพวกนี้ถ้ามันเข้าไปคล้องแวะอยู่ในจิตกดจิตเอาไว้นี่จะลาบากเลยแต่ถ้าพระนี่ตื่นอยู่เสมอเพราะเราลึกรู้อยู่ในสติปัฏฐานสีนะ่การหลับนอนกันการตื่นกันเะไรแลร้วจึงถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติเอาพอดีพอดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำความเพียร ทำความเพียนคือการฝืนที่จริงนะเนี่ยตื่นมาแล้วมาฝืนมันเนี่ยทีสี่ทีห้าตื่นมาแล้วมาฝืนฝืนอารมณ์ตัวเองไม่ได้เป็นแบบโลกๆนะหรือไม่ได้เป็นแบบการทํากรรมฐานแบบตื่นมาแล้วมานั่งสักชั่วโมงหนึ่งก็หลับเอาหลับเอาหลับบ้างตื่นบ้างไม่ได้ฝืนนันนั่นแต่เหมือนว่าได้รูปแบบขึ้นมาก็นั่งนิ่งๆเนี่ยแต่วันไม่ฝืนไม่ฝืนตาไม่ฝืนความอยากความคิด มันจมเข้าไปในนั้นเนี่ยไม่ระวังจิตตัวเองความห่วงเข้าครอบงําก็ไม่ระวังความปรุงแต่งมาก็ไม่ระวังกรหลับเอารับเอาเนี่ยนี่คือปัญหาปัญหาที่เราไม่เข้าใจว่าเราจะพัฒนาชีวิตไปทางไหน เ, เราก็เลยไม่เห็นว่าตัวทุกข์คืออะไรทุกข์ของชีวิตเนี่ยเราไมไ่คิดว่าการการห่วงเอาการสลืมสลืมการอะไรที่เป็นมลทินที่เข้าไปอยู่ในจิตเราเนี่ย เป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นราคะเป็นความใคร่ความพอใจที้เราปฏิบัติทำเราก็มาตัะพวกนี้ออกให้เห็นทั้งโลกเขาจะเห็นเห็นว่าตื่นบปเรืขี้เกียจไปทําการทํางานเนี่ยหาเงินหาทอง เ, เป็นเป็นกิเดสเป็นมนตินอนชีวิตแบบหนึ่งเขาคิดอย่างนั้นนะแล้วเขาก็ลุกไปทําการทํางานภายใต้กรอบของโลกที่จัดเอาไว้ให้ ก็จะดึกเช้าทํางานแลกเงินไปตอนสามโมงสี่โมงก็กลับบ้านทําอย่างนั้นก็ได้เงินได้ทองมาเป็นเครื่องอาํานวยความสะดวกเป็นปัใจจัยให้กับการเลี้ยงตายพอได้อยู่แต่จิตนีงไม่พอนะมันจะมีความอยากความทะเยอทะยานความอยากวิ่งออกไปอีกมากกว่านั้นตลอดจนมีความลังเลสงสัยในเรื่องราวของชีวิตในภพนี้ภพหน้า ในความเป็นอยู่ในอะไรจนะนบางครั้งมันคิดมากนะมันคิดมากคิดไปโน้นยิดไปนี่เสร็จปุ๊บมันก็มีลัทธิประเภทหนึ่งที่พยายามสอนลัทธิแผ่เมตตานี่นะสัพเพสัตตนี่ให้เราแผ่เมตตาคือพยายามดึงจิตเอาไว้มันอยู่แผ่เมตตาแผ่มากเหลือเกินนะให้โยมยักยินพรมเทวดา น, น่าคุดนะ พราราผู้ปกครองประเทศสัตว์เล็กสัตว์น้อยอินอะไรนะน่าคุดธรณีเอาไปหมดเลยนั่นปฏิบัติทำได้น้อยเดียวแผลไปหมดพวดีเลยไม่ได้สักอันตัวเองแต่ก็ถือว่าเป็นอุบายทำแบบหนึง่งคือให้จิตเรากว้างขึ้นจนกระทั่งว่าบางทีมีปัญหามาก็ก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าละทีกรรมเก่านีขนืด อ, อะไรก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าเป็นกรรมเก่า ไอความรู้สึกเป็นคาเก่าเนี่ยมันเป็นรัฐที่ของพราหมณ์ของในอินเดียที่เขาทําส่วนเราไปทําอะไรมาผิดเนี่ยเรายอมเป็นค า, า, า, า, นะาเก่าแต่ชาติปางก่อนนะคาเก่าแต่ชาติปางก่อนเราไปทําอะไรคือเขามาแล้วมั้งเลยเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาทํำหมยยีความรู้สึกแบบนี้เราก็รู้สึกสบายใจคือสมุทัยเนี่ยเรามองไปทรงนั้นทันที แต่ไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยที่เราคำนึงได้นึกออกเข้าใจเดี๋ยวเราโยนให้กับกรรมเก่าโบราณโน้นเหมือนศาสนาอื่นที่เขามีแต่พุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรมนะกรรมสิบสองกรรมนั่นกรรมนี้แต่ว่าเป็นกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยที่มันรันจะมาแต่นี่มันมันข้ามภพข้ามชาติไปแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราโยนให้กรรมเก่าสุวะเขามาตีเราเราก็นึกถึงชาติก่าเราเคยตีเขาเราบ้าง กะจบพอนีพวกทรงเจ้าเข้าผีจะมีความคิดแบบนี้และถูกปลูกฝังแนวความคิดแบบนี้มาเกิดอะไรขึ้นก็นตามแผ่เมตตาเกิดอะไรกตามสานถวายสังฆทานประมาณนี่คือทำให้มันสบายใจแต่พวกนี้จะอยู่ด้วยด้วยสีและพตปรามาสอยู่ด้วยประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อแบบนี้วิธีการก็คือพยายาม ทำพิธีกรรมอะไรก็ได้ให้จิตมันสบายใจแพ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแบบโนบบนี้เหมือนวิธีการทำกรรมฐานแบบหนึง่งมันจะมีแต่เรื่องกรรมเก่าแบบนี้แต่ถามว่าเป็นอุบายทำให้จะสบายใจได้อย่างแบบนึงแต่ว่าพอทาไปนานๆคนไม่รู้เนะื้อหาสาระนี่กลายเป็นอุปท า, าน เ, เป็นความยึดติดกับอันนี้มันไม่ออกนะ มีอะไรมีอะไรแต่ที่จะมองหลักตามความเป็นจริงเหมือนเหมือนชาวตะวันตกนะตะวันตกนี่มีลักษณะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ mm hmm. คือเขาเกิดมาเขาก็เจอแต่ปัญหาที่เขาต้องแก้ไขอย่างเจอภัยธรรมชาติเนี่ยไซโคลเฮริเคียนเจอไฟป่าเจออะไรต่างๆสารพัดที่เข้ามา mm hmm. แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มมันรู้สึกต้องเอาชนะ ยิ่งแถวแตะวันออกกลางนี่ก็ยิ่งมีปัญหามากตอนเช้าไปเอา้าวภูเขาสายอยู่ทางหนึ่งแต่พอสายมามันหมุนไปอีกทางหนึ่งคือมันอยู่ด้วยการต่อสู้แนละ้วก็ต้องเอาชนะต้องเด็ดขาดเด็กๆนี้ถ้าไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตักเตือนแล้วนี่ก็มีการำทำโทษเพราะว่าถ้าไม่เชื่อฟังแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะไฟธรรมชาติพวกนี้ฉะนั้นจิตใจเขาจึงเป็นคนที่ ถูกธรรมชาติหลอหลอมมาให้เยี่ยมระดับหนึ่งทางตะวันตกนี่ฝึกให้เป็นคนเอาชนะธรรมชาติก็สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาป้องกันอย่างที่ฮอนแลนด์สร้างเขื่อนตัวเขาเองมีพื้นที่ชีวิตอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแตนีนน้ำทะเลมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น อันตรายสำหรับบ้านเมืองเขาระดับคือเขาก็เอาชนะธรรมชาติพวกนี้ก็มองทุกอย่างก็คือเป็นธรรมชาติอ้าวอ้ า, อาลืมตาขึ้นกิเลสคาบไปต่อหน้าต่อตาพระเลยนะเนี่ยตื่นตากว้า ง, ต, งตื่นด็กลูกเช้านะสมาธิและคงระครังร้อนลูกตาภ า, า, ายในลูกตามันร้อนๆมันจะแดงๆ สังขารไม่ค่อยดีละยะเลยอะนี่ปวดไหลปวดนั่นปวดนี้นอนไงมันก็ไม่อุ่นนอนตะแคงก็ ม, มาทับไหลตัวเองไหลก็ไม่ค่อยดีพอดีคือไปมุงหลังคาที่วัดไม้คือแปรมบันหักตีลังกาตกลงมาดีนะไม่เอาหัวฟาดเพลินปูนก็ไม่สูงออกประมาณสามนิต ก, กว่าๆคว้าคว้าจับดึงสังกสีทันโหนตีลังกา เพื่ม่เพื่อแม่ยูไไลยไหลสงสัยไหล่จินรุดตุ๊เลยเจ็บนี่สองสามเดือนยังไม่หายเวลานอนมาทับนี้ก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมมาเป็นทางด้านที่ไม่ค่อยดีเลยยอ้าวรีบตั้งใจปฏิบัติได้ลืมตาได้ตายจากนี่ก็ยุ่งเลยที่นี้กลางคืนเนี่ยดึกดึื่นมาตินตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันเจ็บนี่ยอ้เจ็บตื่นขึ้นมาก็ได้จะมาเฝ้าดูอ้าว นอนดูความเฉียบใบเลยนันะ้นได้สายมาขยับขับขึ้นแะล้วก็ดีขึ้นมาก็คิดว่าทีา่มันเป็นเพราะกล้มเรื้อเป็นเพราะอะไรนวดยาไปเลยแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าสองเดือนก่อน <c oughs> แต่เราผมไม่ปรุงแต่งมันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมันธรรมชาติไม่ได้เอาชนะหรือไม่ได้ยอมแพ้หรือไม่ได้ไปติทิ้งอะไรมันก็ดูมันไป ทงางชาวตะวันตกนะเขาดูทุกอย่างเป็นธรรมชาติเข า, าแก้ไขธรรมชาติเอาไปมาชีวิตพวกนั้นกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาจะไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เริ่มไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่ออ น, นี้ไม่ได้เชื่อสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์นะตั้งแต่วันตกนั้นขเขามาเห็นพิธีนีิประเพณีวิธีกรรมพวกเราเนี่ยเขาจึงเราจึงดูเหมือนว่าเขาเหยียบย่ำเขาไม่เท่าด้วยเขามองว่าเป็นความงม ง, งายเป็นแบบหนึ่ง แต่เขาไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่าเขาไม่ได้เคารพกับเราถามว่าเขามีความสุขไม้มเขาก็มีความสุขแบบแบบชีวิตวิทยาศาสตร์แต่ของเรานี่ก็มีความสุขแบบไซยาสตร์ทั้งเอเชียเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นเป็นเครื่องกระทบกระเทือนใจมันมีแต่ธรรมชาติที่มันสบายนะครับแผ่นดินไว้ก็ไม่มีไม่ต้องต่อสู้รถเคลนรถเคียนรถแบ็คโฮรถอะไรอเ เครื่องมือควสะดวกแอพัดลมเลยไม่ได้เกิดจากคนไทยนะไม่ได้เกิดจากแถบเราแต่เป็นเกิดจากถิ่นที่มันมีปัญหาเครื่องจักรเครื่องกลอย่างญี่ปุ่นเนี่ยปัญหาเป็นปัญหาอะไรมากมายหลกหากหลายเขก็มีทางตะวันตกก็มีมันเกิดมาจากแถบนะของเรามันสบายอยู่แล้วแล้วมันสบายนี่มันถึงมีปัญหาว่าเอ๊ะเอโคูก็สบายอยู่แล้วเนี่ยชีวิตนี่สบายอย่างจีนเพวเ น, นี้เขาก็ดีนะไม่เห็นมีอะไรนะ พอไม่เห็นมีอะไรความสุขความทุกข์มันก็เกิดจากน่าจะเป็นเพราะผีบันพ่อปลหลุดนี่มั่งเนะพราะเราไม่เคารพการทำมาค่าขายค่าขึ้นเราเลยไม่ค่อยดีเขาก็เน้นที่ละทิจงรักพักดีต่อบันพ่อ ป, ปลุษต่อคนเก่าๆ เ, เรื่องผีเรื่องสางนดทีนี้บางคนขงเขาก็ไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อเขามาสังเกตด้วยเอ๊ะผีมันมีจริงหรือเปล่า ความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยมันน่าจะออกมาจากจิตจากใจนี้หรือเปล่าก็ามาเฝ้าดูจิตดูใจเปล่าไปเปลามาพัฒนามาเอาร่างกายสังขารก็ดีอยู่ความทุกข์ข้างนอกก็ไม่มีปรากฏการณ์ก็ไม่มีอ น, นุเนนิลัทธีผีลัทธิเทวดายอย่างที่มีความเชื่อมันเมื่อก่อนมันก็เริ่มตกไปถ้ากลับไปว่าก็เริ่มมาเห็นจิตใจเห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่อยู่ภายในอา้าวดับความคิดตับอารมณ์ได้ บางทีก็สะกดทําสมาธิกดเอาไว้พอกดมากเข้ามาเข้าก็เป็นลัทธิศาสนาพราหมณ์ขึ้นมาเป็นยินูเป็นลัทธิอัตมันพลามาตมันบางทีก็ทําไปทำมากดไปกดมาเกิดเป็นภาพโน้นภาพนี้เกิดเป็นฌานเกิดเป็นสมาบัติเกิดเป็นฤทธิ์เป็นเดชเห็นโน้นเห็นนี่ขึ้นมาถ้ากลายเป็นลัทธิเป็นศาสนาแบบนี้ขึ้นมาคือต่อสู้กับเรื่องจิตเรื่องใจไม่ได้ไป แบบเรื่องกับวัตถุแบบนั้นนั้นลักษณะของคนทางเอเชียทางนี่จึ่งเป็นลักษณะของผู้นําทางนั้นาศาสนามากกว่าที่จะเป็นผู้นําทางนั้นวัตถุนี่ยมเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรแล้วพรอพูดได้เจ้าเนี่เป็นบุคคลหนึ่งที่เกิดในยุคนั้นตั้งแต่ไปเฝ้าดูเฝ้าไปเฝ้ามาเอา้าเกิดนิดเกิดเด็ก็ยังไปทุกอยู่นะสะกดจิตไว้ให้มันสงบก็ยังพอออกจากสมาธิก็ยังเป็นทุกอยู่นะ อยังไงกันแน่เนี่ยก็เลยมาตามดูตามรู้ปรากฏการไม่ไปหยุดมันไม่ไปกดมันแต่เฝ้าดูมันเฉยๆเฝ้าดูไปเฝ้าดูมาเร ล, ลึนรู้แล้วปล่อยวางในที่สุดก็เกิดการคลายคืนนี่จึงเป็นที่มาของคว่ธรรมมาจากตรวตนสุดคนทั้งหลายทั้งปูงจะมีความคิดทางนีงน้ไม่ว่าตะวันตกตะวันออกคือคนหนึ่งก็คือแต่ก่อนหมกมุ่นในกาม กามาสุขัิริการุโยกเพลินกามะนะะี่แปลว่าไข้ความไข่ในอียิปตก็หนักนะหนักเจอทั้งมา่เกิดโลกียะสุตรนะมีภาพแกะสลักตามฟ้าผนังตามหินตามน้ตามนี้แม้แต่ในพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีละที่ของตันตระเรื่องกรมคือสังาความสุขจากกรรมแล้วพยายามทำสมาธิจากเริ่มจากกรรมไป และพยายามประคองความสุขนี้ให้เป็นลักษณะเป็นอัตตาเพื่อมุ่งไปสู่นิพพานปัจจุบันก็ยังมีนะในอินเดียที่ตันตรรเพราะทําสมาธิแบบนี้แหละพระก็ไปแต่ว่ากฎเกณฑ์ในการเข้าเข้าฝึกในรัฐที่นี้เขาจะตั้งไว้เกณฑ์สูงมากที่เขาไปฝึกเรื่องกรรมนําไปสู่การนิพพานเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนจัด มองแบบไหนทําแบบไหนคือมันอาจจะมีจุดจุดหนึ่งของคนที่ทําได้ทีแรกที่มันสามารถทําให้เกิดความความล่วงความโปร่งความทะลุมาสู่จุดอันนี้ได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกินยาบางชนิดที่มันมีอาการข้างเคียงสูงเนี่ยมันจะลําบากอย่างนั่งสมาธิว่าจะทําสมาธิเนี่ยอาการข้างเคียงมันก็จะหลับง่ายฟุง้งซ่านง่าย ปงแต่งง่ายสะดึดสลือเกิดนิมิตเกิดนิวรรภ์วะเนี่ยมันคือมันต้องดูดูอาการข้างเคียงของของธรรมะที่จะปรากฏเกิดขึ้นแต่การยกงมือสร้างจังหวะนี่อาการข้างเคียงก็ไม่มีอะไรไม่มีแต่ไม่สวยเท่านั้นเองมันไม่สวยงามคนก็ไม่อยากทํามันไม่โก้แล้วมันไม่สงบแล้วที่สําคัญคือมันจะไถกิเลสออกไวเกินไปเนะี่ย คนปฏิบัติธรรมก็เสียดายเสียดายกิเลสยังไม่อยากให้มันออกแล้วบางทีก็อินซีมันไม่พร้อมภาษามันไม่พร้อมที่จะจะให้มันทะลุตะลวงมันไม่เก่งพอก็เลยข่าวปฏิเสธเอาวิธีที่นุ่มนมดีกว่าไปเล่นบอลอยู่กับเด็กดีกว่าไปซ้อมมวยกับโนเนมบ้านนอกดีกว่าจะไปโชคกับไม่ไทยสัน คือไม่กล้าสู้กับกิเลส ต, ต, ตรงๆเท่านั้นเองอยากสู้แบบในรูปแบบที่มันสวยงามลักษณะมันก็จะเป็นแบบนั้นพระพทะองค์เนี่ยเวลาท่านเฝ้าดูท่านศึกษาปรากฏว่าเออท่านไม่เอาแบบนั้นเอาแบบโบราณที่เขาทานั่นนะเห็นโน่นเห็นนี่แบบนั้นไม่เอาตามอยู่ทั้งโอ้มันหลุดพ้นจริงๆก็มีนะท่านก็เลยประกาศคําสอนว่าไอ้ตัวสัมมาทิฏี่คือแบบนี้ตัวอันนี้ไม่ใช่กามาสุขา ร, ริกานุโยก แล้วก็ไม่ใช่การทรมานไอ้ที่ทํามาแบบที่ว่าไงทำแบบพรามนะไปอดไปทนไปทรมานตัวเองตลอดจนทําให้มันนิ่งมันดิ่งอยู่เป็นฌานสมาบัติเจตสมาบัติอันนั้นเป็นอัตตะกิลมถานุโยคคือทรมานตนที่เสียเวลาลําบากอดข้าวอดน้ําทรมานตัวเองกดขัน้นลมหายใจนั่งทั้งวันทั้งคืนทุกทรมาน เวทนานอเวทนานออัดเข้าไปอยู่นั่นนะไม่ขยับไม่ไหวไม่ติง้งไม่นอนไม่นี่มันเป็นทุกข์เราก็ยังไม่รู้นะท่านหมอเป็นเวทนาเป็นอัตตะกิดแล้วมรรานุโยกอันนี้มาแล้วเรื่องรู้มาเฝ้าดูชีวิตแต่มาแล้วรื่องรู้มาเฝ้าดูก็คือการมีสติเฝ้าดูมากเข้ามากเข้ากาเกิดปัญญาอย่างที่ท่านว่าเนะี่ย ธรร ม, มาจากุงอุทปาติยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาติวิชาอุตปาติอโลโกโอุทปาติเกิดจากสุขเกิดยานเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความสว่างความสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินแต่ใครๆในการก่อนไม่เคยได้ยินจากใครๆมาในการก่อนนะอ น, นันตสุเตสุธรรมเมสุจากุง ไม่เคยได้ยินแต่ใครๆมาแต่ในการก่อนเขาไม่เคยได้ยินใครพูดเนี่ยว่าการดับทุกข์ทำอย่างนี้อย่างเนี้ยเหตุให้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเกิดจากความคิดความปรุงแต่งเกิดจากสรางขานไม่มีใครว่ามาก่อนการดับทุกข์จะต้องกําหนดรู้อย่างเนี้ยไม่มีใครพูดทุกที่ดับที่จางไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นนั่นนี่อย่างนี้ก็ไม่เคยมีใครพูดมาเลยก่อนต้องไม่ยอม ท่านพุธองค์ท่านเลยว่าทุกเราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยเราเห็นแล้วเราละได้แล้วนี่โรดเราทำให้แจ้งแล้วมักเจริญได้มากเราถึงแล้วเราต้อง่าพูดกับบรรดาขีอันเริ่มต้นศาสนาธรรมะในจึงปรากฏว่าทางตะวันออกเนี่ยมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องอารมณ์ถ้าศึกษาก็คือสามารถดับทุกข์ได้ศา ส, สนาทั้งหมดเกิดทางตะวันออกนะทางตะวันตกไม่มีนะ เรื่องาจะาหิบโผยู่อิสลามคริสพุทธชินโตของจือจ่อเราจื่อเต๋ออะไรนี่มันจะเกิดทางยุเชียร์เพราะมันมีเวลาไม่ต้องไปที่โดนต่อสู้ไม่ต้องไปคิดอะไรต่อสู้กัทธรรมชาติ น, นักวิทยาศาสตร์ทางตะวันตกเนี่ยถ้าเข้ามาทางตะ ว, วันออกไม่แน่ น, นี้อาจจะมองภาพของชีวิต แต่ที่จะมองปรากฏการณ์ทางโลกแบธรรมชาติที่มันคุกขามเมามองธรรมชาติของกิเลสตัณหาที่มันคุกขามาใจเขาก็ไม่แน่เขาอาจจะเป็นศาสดาคนหนึ่งอยางท่านะวันออกบางทีไม่จำเป็นต้องแสวงหาอาหารการบฉันเลยเดินขอทานไปพิจารณาดูชีวิตไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆกินที่นู่นวางที่นี่บ้างเขาก็สามารถประคองชีวิตอยู่ได้ เพราะมันมีความสะดวกในระดับหนึ่งที่จะให้กับพวกที่ทำหน้าที่อันนี้อย่างนักพรตนักบวชเนี่ยอย่างประเทศไทยนี่ยิ่งมีความสะดวกสบายแต่ในความสะดวกสบายนี่มันกลับกลายเป็นว่าเราหลงซะหลงความสะดวกหลงความสบายนี่ทางคารวะญาติโยมก็เกิดความหลงหลงในภาพในพจน์ที่ผ่านมาหลงว่าเออคนนุ่งพราเหลือง หรคนเป็นมันก่อนไปไหนเนี่ยในในพืเมืองไงคิเราแไปก็ยังไปเขาบตรงนี้มีลือสีนะมีลือสีตัวหนึ่งมุ่งขาวตัวหนึ่งหนวดยาวก็วอยู่ก็เห็นคนในเมืองทางโน้นตอนนี้เขาไปหายาไปๆ ไ, ไม่ได้หมายว่าเขาไม่ดีนะแต่หมายว่าความเชื่อของพวกเรานี่จะเป็นแบบนั้นลือสีเนะี่ย จ, จะดีกว่าพระก็ว่า ก, ก็ได้เพราะเป็นเรื่องของจิตใจ เขาสมาธานถือวัดปฏิบัติถือแบบลือีไม่ปรุงไม่แต่งอะไรก็ได้จะหมายถึงว่าไอความเชื่อของพวกเราเนี่ยมันไวสมมากาคนก็ไม่ได้ไปสแสวงหาธรรมะจากลือีลือีคืออีสีเนี่ยนะอีีอีีปัตนาะมลิกาทายวันอีีก็คือลือศีมิกทาย มี ข, ข้าไปวันเนื้อไปว่ากวลางอีสีก็คือลือสีที่ป่าลือสีเนี่ยป่าลือสีเนี่ยพระพุทธเ้าเดินไปที่ป่าอีสิคือป่าลือสีก็ลือสีก็ห้าตนนี่ที่อยู่นะพระเจ้าขีทํา ง, งานั่นเดินไปที่นั่นไปเจอเขไปเล่าเรื่องออทางสายกลางอยู่ตรงไหนเน่ยทางสายกลางก็คือมาเฝ้าดูใจตัวเองเมื่อไหร่ที่เรามาเฝ้าดูใจตัวเองเราก็จะเห็นธรรมแต่ถ้ามองไปกันหอง ก็เห็นข้างนอก <c oughs> หรือว่าเห็นว่าทุกนี้มันเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกก็ไปกดไปขม่มมันก็ไม่ใช่ทางอีกแล้วพอมาทีนี้ก็จะเกิดถ้าฝั่มองชีวิตก็จเห็นคุยตามความเป็นจริงไม่ต้องทรมานมันไม่ต้องอดข้าวอดน้ําอย่างที่เรามาอยู่ที่บ้านโยมตุเนี่เขาไม่ได้อดข้าวอดน้ํากินแต่อาหาร อ, อร่อยอร่อยก็ยังเห็นตัวเองแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวว่าต้องทุกข์มาก บางคนต้องไปอดข้าวอดน้ํำอดนั่นไม่กินข้าวกินน้ำสมัยหนึ่งไปปฏิบัติธรรมไปอุบลราชธานีกลับมามีพระมาด้วยองค์หนึ่งพระปฏิบัติสายพุทโธนะอยู่วัดอุปูเสาวมาปฏิบัติธรรมพวกปฏิบัติอยู่ด้วยกันคนนั้นก็รู้อันนั้นคนนี้ก็รู้อันนี้คนนั้นตั้งใจทาเขาก็พูดถึงเรื่องรูปเรื่องน้ําเรื่องนั่นนี่เนาะท่านก็บวชมาหลายปีละสองสามปี ปรากฏว่ามันมันยังไม่เห็นอะไรท่านพรรษานั่นก็เลยไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวเป็นสิบวันคือช่วหนึ่งก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บินบาทไม่รับอาหารไม่เลยแต่ก็มองดูเออท่านไม่กินข้าวแล้วท่านจะทําไงให้กินข้าวท่านก็ไม่กินท่านจะทําให้มันเคร่งให้มันเข้าใจอย่างนี้นั่นก็คือมันก็มีสาระว่าคนยกย่องว่าท่านทําอะไรได้ต่างเพื่อนอะไรประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นหลักของกันสัมมาวายามะ พอไม่กินข้าวไปมามันก็ลําบากมันพร้อมมันก็พร้อมจริงจริงนะเห็นแต่ท่านเดินหากินใบมะม่วงหินมาผ่านกินเยอะมันไปตามเรื่องเข้าวมีดันไม่กินนะคนหนึ่งเขาก็กินข้าวแล้วก็เดินเจ้ากรมได้ดีท่านก็กินใบมะม่วงหินผ่านจะเดินมากเขาก็เมื่อยก็นั่งหลับตาก็หลับไปอีกเนมันก็จะไปแต่ก็ดูเคร่งดูขลึมนะเวลาทําให้นั่งสร้างจั่วไหวก็ไม่ค่อยนั่งสร้างจั่วไหว มาเรนั่งเงียบเอาผ้าคลุมหั ว, หวปิดเฮเ้งเลยออกภาษาปุ๊บท่นก็ไปทันทีเลยนะี่จพูดจะคุยถ้าไม่พูดไม่คุยเล ย, เลยไม่คุยกับพระในวัดนะตาถามตา พ, พูดพูดอันนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เขา้เขาใจผิดเพรากลับในบ้านครับไม่รู้ไปไหนนะันก็ไม่ได้ติดตามนะแต่ว่ตากลับไปไปที่วัดไปดูท่านก็ไม่เห็น คือจริงเรื่องของชีวิตมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปคลึงไปขลุ่มไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายอะไรมากมายคือคนที่บรรลุทําง่ายๆก็มีแต่คนที่ทําง่ายๆแล้วไม่เป็นบรรลุก็ทํายากๆเวลาคนถามเนี่ยศา ส, สนาเนี่ยปฏิบัติทําจะเข้าถึงธรรมต้องทํายากๆไหมต้องท ำ, งทำจริงทําจัิงไหมไม่ทาง่ายๆบางคนนี่เขาเขาสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยแค่ เฝ้ดูชีวิตนี้นหน่อยเขาก็เกิดการรู้แจ้งนะแต่บางคนโอ้ศา ส, สนานี่เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วเกินนะอถ้าอยากรู้แจ้งเนี่ยอย่างตัวกับผมเพียงในทํานี้นีนี่ยหน่อยก็ตืมเบิกบานได้แล้ว เ, เวลาไปถามพุทธเจ้าคุยแบบนีวิ่งเขาไม่ศา ส, สนาเนี้ต้องเอาจริงการบรรลุธรรมด้วยอาการกระทําอันเลว เ, เป็นไปไม่ได้แต่การบรรลุธรรมมันเลิศด้วยการกระทําอันเลิศย่อมมีได้แล้วน่คืออย่าคิดว่ามันง่ายคนที่บอกว่าง่ายเนี่ยพุทธเจ้าถือว่าประมาท แต่คนที่บอกว่าศาสนานี้ต้องเอาจิงเอาจังเอาเป็นเอาตายวุฒิภาวะนั่นอัตตะกิลาบธรรมโยกเกินไปเหมือนพระเทวทัตที่บอกว่าศาสนาหรือพรหมจรรย์นเนี่ยถ้าจะให้มันเข้าถึงธรรมจริงๆต้องเด็ดขาดนักบวชนักพรตหนึงเป็นไปได้ไหมไม่ต้องรับนิมนต์ไปฉันในบ้านให้นอนป่าช้าเป็นประจําเป็นวัดเลยพระสองฆ์พระเจ้านี่ห้ามไปนอนในบ้านห้ามรับนิมนต์ ถ้ามชันปลาฉันเนื้อให้ฉันแต่ผักให้ถือผ้าบาังสุขุนเป็นวัดหากเก็บเอาตำขยะอย่างเดียวใครเก็บเอาผ้าที่โยงก็าถวายนี่เป็นนบัตผิดจากความเป็นพระเป็นเนนดูเหมือนคร่งขัดนะพระทั้งหลายก็ฟังโอยอดนะท่านเท ว, วทัตลูกพี่เราเนี่ยมีแต่การคล่้งๆเท่านั้นนะทีนี้ไปพูดถ้ำกลางพระสงฆ์เนี่ยประชุมสงฆ์พระพุทธเจ้าเลยบอกแต่ทางก็ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยทําไงท่านสอนคนให้บรรลุธรรมนะ่ะและ้วจะจะมาอ่อนแอยังไงอันนี้มันถือว่าเป็นเครื่องมือขัดเกลาคนเนะี่นะพเจ้ามันทำํำไมมันไ ม, ไม่ได้เคร่งแบบนั้นนะ่ะมันไม่ได้เคร่งกับว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรนะแต่การที่ทําจิตให้อยู่ตรงกลางๆนะนะั่นแะคือมัชฌิมาอาหารการกินอยากกินตั้งไหนก็เอาตามสะดวกเอา้าไปเจอเขาค่าช้างตัวหนึ่งเอาต้มมาเนี่ย เาเราก็ซัวใะกินได้ไม่เป็นไรถ้าไปเจอจิ้งหรีดมาเขาต้มข้าวเปล่าเปล่ามาให้กินไหมก็กินได้อยู่ด้วยด้วยอาหารด้วยคนอื่นถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเ็าพูดว่าหรือเขาไม่ได้เจาะจงที่จะฆ่าเพื่อเราแล้วจิตมันไม่สงสัยนี่อันนี้มันทำเพื่อเราหรือเปล่านี่สงสัยควายที่เห็นเมื่อวานนี่งทีเราฆามานี่ ขี่รถผ่านตลาดไปกาลังฆ่าอยู่ว่าด้ยินเขาว่าเราจะทําบุญที่วัดเนี่ยเขาก็เลยฆ่าสงสัยตัวนั้นแล้ถ้ามีจิตคิดอย่างเนี้ยมันออกจะพะว่าพี่ผิดปกติแล้วคือถ้าจิตผิดปกติอย่างนี้แล้วไปเสพเนี่ยท่านว่ามันผิดอวบดได้เห็นก็ดีที่เทนวาสุเตนวาปริสั่งกายยาวาเห็นได้ยินสงสัยเลิกทันทีเลยอย่างไปตักอาหารในโยมว่า หลวงตาอันนี้ต้มไก่เฉพาะหลวงตานะ่หมดท่าเลยไม่ได้กินเลยกูนั่นเขาจึงไม่ให้อยู่ใกล้อา้าวหลวงตาตักตัวนั้นนอยตัวนี้นอยอันนี้อันนี้น้องงัวนะเนี่ยว่าใหม่โอ๊ยไม่ได้กินนล้วจบพอดีเลยนั่นเขาไม่ให้ได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือว่าต้มปลาช่อนเนี่อยอรยนี่ไส้ปลาที่มาเฉพาะนะเนี่ยหมดท่าเลยได้ดูเฉยๆคือเขาไม่ให้มันจิตมันไป ใมันปลงมันแต่งคือมันว่างๆเนี่ยกินด้วยอะไรที่มันไม่รู้ให้มันรู้ประจันหน้าเฉพาะตัวคือไม่อย่างมันคิดนานๆหรือบางทีถ้าพูดไว้นะี่มลฉันลาบเป็ดนะวันนี้น่ะถ้าส่งเรามันถูกลาบเป็ดวันนี้หลวงตาก็ไม่ได้กินแล้วนะถ้าว่าลาบเป็ดนะเนี่ยจิตขณะที่เรามานั่งสร้างเจ้าวะอยู่อย่างเงี้ยมันที่คิดถึงลาบเป็ดอ่อนหรือเป็ดแของเนาะ ตีนมันเป็นพังผืดหรือยังวะไอ้เป็ดเทพหรือเป็ดลาดนาะเนี่ยอีกอะไรที่เนี่ยมันจะปรุงเนี่ยคนที่ไม่ได้เข้มแข็งในชีวิตแบบนั้นเป็ดที่อยู่ในหนองเป็ดไล่ทุ่งหรือเป็ดเลี้ยงเนาะถ้าเอาหัวอาหารเลี้ยงกูคงไม่ชอบนะต้องเป็ดบ้านนะเนี่ยจิตมันนี่มันไปเยอะแล้วเนี่ยมันขาดสมาธิเป็นนานพอสมควรแล้วจิตไม่มีเขาห้ามคือให้เลิกเลยคือ พระพุทธเจาถก็ตัดไปว่าถ้ามีถ้าคนมาพูดอย่างี้ถ้าจิตมันจะปรุงนี่เขาให้ตัดเลยไอ้นั่นเขาให้เลิกไม่ได้กินคุณจะคิดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งก็จบแล้วบทบาทคนนั้นคนไม่ได้เจี๋ยไม่ได้ยิ้มไม่ได้อะไรแล้วหมดสภาพแล้วไม่ได้เด็กแล้วอยู่ปัจจุบันไปไม่ได้เห็นมาาาาาดีีนนนะงั้้รบอออกว่่ยยเไม่ได้เห็นไไม่ด้ยินไม่ได้ฟังแล้วไม่สงสัยเนี่ยไปเจออะไรทานได้ทานได้แม้แต่เนื้อคนก็กินได้นะ มันไม่เห็นเนะี่ยมันไม่รู้เนะี่ยมันไม่รู้กินได้ก็กินพออยู่ก็กินเพื่อประทังชีวิตไปเฉยๆก็อยู่ได้ไม่จะเป็นโอ้ยต้องเป็นเจนะบางคนก็ต้องเขียนไว้ว่าเจนะนี่เจนะนี่พระคุณเจ้านี่อาหารเจเขียนเอาไว้พอไม่ถูกเจโอ้ยเป็นอบัตแล้วกูวันนี้อย่างโน่นเนี่ยเป็นอบัตเพราะมันคิดนั่นแหละก็อย่าไปคิดอะไรพวกที่ท่านก็เขาเอา้าวแล้วแต่ อยู่ในเชื่อมบทอยู่ที่ไหนก็ตามไปเจออะไรก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยจะบไปไม่ต้องเป็นอัตตะกิลมัานุโยกไม่ต้องไปทรมาตถมีแต่ว่าอย่าตามใจเนี่ยถ้าตามใจก็เป็นกามเป็นความใคร้ถ้าเป็นความคล่ถ้าบังคับมันมากเกินไปก็เป็นอัตตะกิลมถา น, นั้นกลางๆงพอประทังหลวงตาเคยเล่าว่ามื่มีไปเจอพระอุ่นท่าบินฑบาตมาแล้วท่านก็เ ท, ทใส่ถานในป่าช้านะหลวงตาไปอยู่ท่า แล้วก็คุกเขาอาหารแล้ว ก, กินกับหมาหมาก็กินไปแต่ก็กินไปกินด้วยความสำรวมนะเอามือจับไม่มีทอนนะในถาดใหญ่ๆนะไปได้อะไรมาปลาเหียงปลาไม่เหียงปลาเน่าปลาหนองปลาเป็นปลายอยู่ในนั้นข้าวก็เทเสร็จในนั้นหมาก็เอาก่อนเราก็ดูทำได้นอ้ออาจารย์นี่เป็นที่น่าเคารพศรัทธา หมามันก็กินเนากินเน่ามันไม่นึกนะว่าโอ้ของพระนะนี่จะเป็นอนะไรลุตาดูหมามันพอกินมนกรับกรับกรับพอมันกินแล้วน้ํามันจะออกด้านข้างตร ง, งนี้เนะลยท่านก็ฉันแล้วก็ไม่มีการแย่งนะไม่มีนะกระดันหัวหมาออกไปคนเฮ้ย hey, มันของกูนะนี่ปิ้งไก่ตัวนี้แล้วก็กิกนธรรมาดากินไปทำเหมือท่านไปท่านอิ่มกว่าหมาแต่หมากินก่อนท่านนะยังไม่ได้แย่าถาเลยนะมันเอาก่อนแล้ว แต่ท่านสำรวมรู้สึกโอ้ยเป็นนภาพที่มันติดตาเสร็จปุ๊บหมากดิ่มท่านก็ไปล้างให้หมาท่านไม่หวังความเป็นตัวเป็นตนอะไรเลยนะไม่ได้สอนธรรมะอะไร ใ, ใครหลงตาก็ตามเพราะว่าหลวงตาชอบปฏิปทาพรนะท่านดีอยู่กับท่านประมาณสักสิบห้ารือยี่สิบวัน เ, ลลเนี่ยแหละใน่าช้าไปวิญบาณม า, มาท่านก็ชวนอยู่มัอกันแหละ เวลาได้มาที่อาหารใส่ถาดเลยหมาก็เข้ามากินทมามาเอาด้วยกันนะวันนี้มันอะไรครับวะยังไม่เอาทำไม่แกลี่ยทไม่เกี่ยพวกเธอก็กลับไปบ้านก็ลองดูดิหมาพวกเธอก็มีเนะี่ยคนละตัวสองตัวลองขนาดหมาเราเองนะเรายังไม่กล้านะแต่นี้ในปา่าช้าไม่รู้หมานี่มันไปรอดก้นใครมาไม่รู้นะกินที่ไหนมาไม่รู้แต่ท่านก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉัน คือเราไม่ได้พูดถึงความสุขสมบูรหรือความสะาดนะแต่พูดถึงจิตเนี่ยนะจิตที่เขาฝึกมาเนี่ยดีมากเสร็จแล้วท่านก็นเดินจุ ก, กลมธรรมดาเดินจุกรมก็นั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิเนี่แต่ถ้าก็นั่งสมาธิไม่ได้สร้างจังหวะอันนี้หรอกโอ้ดีเนาะทำดีเวลาสอนท่านก็นคุย อ, อะไรบ้านีดนหน่อยกลางคืนก็เหมือนกันก็นั่งทำสมาธิจุดเทียนตั้งไว้ ท่านก็ไม่ค่อยได้สอนอะไรนะท่านมีแต่ว่าจะไปคิดอะไรมากอยู่กับปัจจุบันเนียแต่เวลาเราทําเราก็ง่วงท่านก็บอกว่าอย่าเพีย้ยนพยายามเยอะก็ลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะท่านเพี้ยนขนารแล้วก็เอาแบบนั้นแหละเนี่ยท่านก็จะพูดนิ่มๆพูดดีๆคือยังไงก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีลทัทธิอันนั้นลัทธิอันนี้ขึ้นมาคือเอาจุดเด่นมันนะลัทธิกินเจลทัทธิ บาปละทิกรรมละทิอนนี้มากมายหลากๆยคือโยนโยนความทุกข์อะไรนี่ใหเ้เป็นเรื่องของอไ น, นันไม่ใช่เรื่องของสติปัญญาท่า น, นก็เวลาศึกษาคำสอนพระรูเจ้าก็จะเป็นว่าเออท่านทางสายกลางท่านไม่เอาด้วยผ้าสบงสะบให้ไปหาแกะเอาแต่ตามป่าชา้าตามศพตามอะไรมานุ่งมหม่มท่านก็ เอายังไงก็ได้ถ้ามีคนถวายก็รับมีคนถวายก็รับนะแต่ก่อนมันไม่มีเนาะกระถิ่นเนี่ยก็ต้องหาเก็บมาแต่พอนางวิสาขาถวายผ้าอับน้ำฝนถวายอะไรเนี่ยท่านก็บรรลับได้สมัยหนึ่งนางแต่ก่อนในผ้าพระนี่มันไม่มีนะไม่มีผ้าอังสะนะสายเดี่ยวนี่พระไม่มีนะมีแต่สะบงนุ่งห่อข้างล่างแทนีนก็หาเทบยากแล้ว้างบนก็แค่พระจีวร แต่ก็มีผ้าว่าสังฆตินี่เขาว่าให้ถมห่มทับนั่นเลยดูหนาวนี่ไม่ใช่เอามาผ้าเป็นทนายความอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมาผ้าตัวนี้ยแต่ถ้าเราไม่ทําตามเขาเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะว่าเรามาเกิดเป็นพระทีหลังเขาก็ต้องทําตามไม่มีประโยชน์เลยทับให้มันหนักเลยตามมห่มนี่ยังจะได้ประโยชน์อีกแต่ก่อนเขาเขาให้เก็บเอาผ้าที่ร้อนที่ดีมา นุ่งมาห่มเทวทัตบอกว่าเอาเฉพาะอันนั้นนะคนถวายไม่ได้ผิดอบัดทั้งอย่างนี้คนจะบรรลุทำเยอะพ่ะตัดออกไปเลยไม่ต้องมันเหมือนคลิ้งคัดนะ่ะพระกลุ่มหนึ่งว่าเห็นด้ <laughs> <laughs> วยเห็นด้วยเห็นด้วยพู้หนึ่งเห็นด้วยนะแต่พู้หนึ่งไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วย <laughs> พระพุทธเจ้าท่านเฉยเลยท่านไม่ได้ว่าอะไรแล้วแต่แต่ศาสนาเขว่ามันไม่จําเป็นคนถวายก็ถวายแต่ก่อนมีการขโมยพ้ากันนะหลงพรา เขาต้ว่าให้มีเซ็นชื่อเอาไว้เขาเล่พินทุกกำกับเอาไว้ให้มีท่านนั้นผืนท่านนี้ผืนสมัยหนึ่งนั่งวิสาขานี่แกชอบไปวัดแกเข้าใจธรรมะสดตบันเนี่ยท่าจะเป็นเป็นเด็ก น, น้อยนะแล้วเป็นสาวก็แต่งงานไปสวก็ได้ลูกยี่สิบคนนะแสดงว่าสุขภาพร่างกายแกดีมาก ได้ลูกทุกปีทุกปีแต่งงานสา ม, มีแกเป็นนายพลสา ม, มีเป็นนายพลตื่นเช้ามาแกกะหาข้าวหาปลาอออให้หาธนูหาอาวุธให้เอา้าเข้าไปได้หนูมาได้หมูป่ามาได้นู่นได้นี่มาประจาแต่แกก็มาแล้วก็ปิ้งไปวัดต <c oughs> ามบนต่างว่าเอา้านิสาขาไปเอาอะไรมาเนี่ยได้มาจากไหนเนี่ย เธอได้แต่อาหารดีๆเนอะได้แต่นั่นได้นี่มาวัดเนี่ยแต่ว่าเธอจะบาปแล้วเนี่ยบาปไงแกไม่ได้ทําไม่ได้ทําเธอก็หาให้ผัวเธอเนี่ยทุกวันเนี่ยเตรียมหน้าไมา้เตรียมปืนผาหน้าไมา้เตรียมกับข้าวผัวเธอก็ไปหาไปเข้าป่าเข้าดงไปปฏิบัติธรรมให้ผัวแกเป็นมิจฉาทิฏฐินละยแต่แกก็ไม่ได้ขัดขวางสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไปวัดนี่คนก็ว่าการที่สนับสนุนแบบนี้เนี่ย จะเป็นพระโสดาบันได้เหรือไม่น่าจะนะเรื่องอันนี้ก็เลยต้องนํามาสู่การตีความรัฐธรรมนมูญก็จะต้องไปว่าไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบรรยายแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ า, า, ววามือที่มันไม่มีแผลเนี่ยเอาไปแดกลงในยาพิษเนี่ยยาพิษมันก็ไม่ไหลเข้ามาฉันใดก็ดี จิตนี้มันอยู่อยู่ด้วยภาวะแบบนี้อยู่ในครอบครัวแบบนี้อยู่แบบนี้แต่เขาก็ไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่าเนี้ยคือมันไม่ได้รับออกมัาเป็นคนละวักคนละตอนกันสามีก็คือสามีเนะี่ยเรื่องการเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะคุณธรรมมันอยู่ประมาณระดับนั้นก็เป็นแบบนั้นแต่ความเป็นส่วะเบีเป็นที่ให้บุคคลเหนก็เป็นอีแบบหนึง่งตัวสักยาที่จิตตัววิจิตรฉาตัวศีลปตะป ร, ร ม, รมาตตัวภาวะแบบนี้ย เขาแก้ไขได้ทำได้แต่ตัวรูปปราคะรูปปราคะที่มันอยู่สูงขึ้นไปอีกก็กำลังมีความเพยายามที่จะทำเรื่องนั้นพระเจ้าเลยว่าจะไปสงสัยแกเลยนีแกก็มาวัดอยู่เรื่อยเรื่อยแกมาทีไรแกจะหอบนั่นหอบนี่มาเหมือนโยมคนหนึ่งอยู่ที่วัดนะถ้าแกมาวัดทีไรเนี่ยแกจะซื้อกระติกน้ำแข็งมาพวกทีเลยเวลารถแกวิ่งรื้อเข้ามาแกไปตรงนั้น พระเห็นก็จะยิ้มเหมือนในวัดนะแกมาพร้อมไอซ์ครีมไอที่เป็นหางยาวๆนะมาเต็มกระติงน้ำแข็งเลยแกซื้อมาเป็นสามสิบสี่สิบปันดนะ้วนั้นไม่ได้น้อยนะัลรงตานี่ก็มองด้วยความสลดใจกูกินไม่ได้เพราะกูเป็นโรคบาหวาน <c oughs> แต่คนอื่นคนอื่นก็ได้กินพระกำลังทำงานก็ไปแจกการไปจำเขาจะดีใจเวลาเห็นรถแกมาอ้าแกต้องมีอะไรจิตมือเข้าวัดเข้าวัด นวิสาขาไปวัดก็เป็นเบบนั้นแหละไปจะไปที่ไรก็จะถือไปเยอะมากอาหารการกินอั น, นโนนี้ซุปนั่นซุปนี่ไปแหละหลายอย่างบาทีตอนเย็นกินนึกถึงพระก็ให้คนใช้เนี่ยเอาเอาอาหารพวกนี้ไปถาวายพระเลยอะไรน้ปะนะน้ำปะนะชงโอวันินไปถาวายพระที่วัดเนี่ยโอวันินหรืออะไรอย่างเ้ตจะสั่ง ผมสั่งเองแหละนะไม่ได้กินน้ำปลาของเขาหรอกเพียงแต่ว่าสั่งวันนี้ต้องเป็นแบบนี้วันนี้ต้องเป็นแบบนี้วันนี้สั่งสั่งไว้คือแบบไหนก็ได้แต่อย่าให้มันซ้ํากันวันนี้เอาปัน่นแอปเปลิลวันนี้โอวันตินวันนี้ลูกเกี๊ยบวันนี้อะไรก็ว่าไปแต่ไ ม, ม่เหมือนกันเอานี่นมเย็นซะวันนี้น้ําแข็งใสซะ วันนี้ไอ้สตีมซะเดี๋ยวมันมเหมือนกันกินไปเผื่อมันถูกใจหลอกมันไว้อย่าให้มันหนีกลับแต่วันสุดท้ายนี่ก็ต้มฟ้าทลายโจนนี้มันกินยังไงมันก็จะกลับอยู่แล้วล่ะกินได้ก็กินแอะไรกันแล้วไปเอาให้เขาก็ดีใจแล้วก็บอกนะปฏิบัติมาเจ็วันเนี่ยกินขมแค่นี้จะตายก็เป็นลูกไปมันอมก็กินได้เพราะมันทาไงไม่กินก็ไม่ได้มันหิว ก็คือเปลี่ยนไปแต่ที่นี่หลวงตางก็ไม่เคยเห็นน้ำปะนะเขาสักทีนะไม่ได้ดูตอนเยน็เยนๆเนี่ยมันร้อนๆมันจะดีคิดนะทำมาไม่เมื่อย เ, เป็นไปได้นดีหรืยังไงก็ได้กแล้วแต่แนมะ้เขามีให้อย่างไงก็กินไปอย่าไปอ่อนเฉาะอะไรมากายเห็นอะไรก็อ่อนซ้อนไปหมดใช้ได้วันหนึ่งแกอย่างที่ว่าเนี่ยให้คนใช้เอาอาหารเอาน้ำปนะนี่ลงไปถวายพระตอ น, นดีๆ แล้วเกิดฝนตกทีเนี่แสงเยียบเยียบเยีบยบนะ่ะสงฟ้าแล้วพระสมัยก่อนเนี่ยเขาหาผ้านี่ก็แทบตายแล้วไม่มีมีแค่สามผืนนี่สบงจีวอนผ้าอาจไม่มีแล้วผ้าสังฆาติมีประมาณนั้นมันไม่มีเยอะรู้จภายหาที่ไหนพุทธโยาคา็มีผ้าสามผืนจีวตรจีวอนมีแค่นั้นก็ถือว่าเยอะแล้วในไม่มีผ้าผัดผ้าเปลี่ยนนะ อัพ่อฝนสมัยก่อนมันหนาวอ่ะอินเดียไปเนี่ยพพระพุทธเจ้าว่าพิสูจน์ต่งหลายพิสูจนผู้อยู่ในมัธยมประเทศปัจเจันแต่ประเทศเนี่ยพวกอยู่ที่ตามมุมเมืองตามโน่ตามนี่ตามหัวเมืองน้อยๆไปในอินเดียมันหนาวบางครับว่าไม่อาบน้ำเนี่ห้ามเกินสิบห้าวันนะพระพุทธเจ้า